ถ้าใจไม่ชอบมันให้รู้ว่าไม่ชอบใช้หลักการปฏิบัติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดภิกษุทั้งหลายเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแก้ไขสิ่งที่เราไปรู้เช่น เราไปเห็นตัวเองหน้าเหี่ยวอย่างนี้ใจมันแป้วขึ้นมาก็ให้รู้ใจที่แป้วไม่ใช่ภาวนาอย่างไรนะใจจะสดใสไม่จำเป็นให้รู้ที่ใจแป้วถ้าใจมันแป้วแล้วไม่ชอบอยากให้มันสดใสก็ให้รู้ที่มันไม่ชอบที่ความยินร้ายนี่ฉะนั้นใจเราซึมให้รู้ว่าซึมซึมแล้วอยากหายให้รู้ว่าอยากหาย